มาบางกัเกี่ยวกันหนกค น, <ง> ค, นคุณแม่นั่งอย่ข้างล่างเลยโลกทําประกรันด้วยกันนี่แหลค <น S 1> ะควรทาประกันหมดแล้วเจ้าค่ะไม่ได้ทำประกันหมดแล้วเจ้าประกันชีวิตกับประกรันภัย ก่อนจะซื้อประกันก็ต้องศึกษาดาูประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการซื้อประกันดูว่าเขาคุ้มครองเราเท่าไหร่เราต้องเสียเท่าไหร่ดูว่าคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มค่าก็ซื้อถ้าต้องจ่ายเบีย้ยประกันสูงแล้วก็ได้สินใหม่ทดแทนน้อยก็ไม่ซื้อดีกว่า ศาสนาพุทธก็เหมือนกันก่อนจะซื้อประกันชีวิตซื้อประกันภัยของศาสนาพุทธก็ต้องศึกษาดาูข้อดีข้อเสียหรือว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วเราจะได้คืนมาเท่าไหร่ถ้าลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนก็อย่าลงทุนดีกว่ า, าทางศาสนาก็เลยต้อง มีการเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนว่าเราจะถ้าเราต้องการซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตจากจากพุทธศาสนานี้เราจะต้องเสียอะไรบ้างถ้าเราจะได้อะไรบ้างเป็นผลตอบแทนถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่รู้ว่าคุ้มคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะ ขาดทุนก็ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาก็สอนให้เราศึกษาก่อนศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาว่าการที่เราจะได้ได้ประกันภัยได้ประกันชีวิตจากพระพุทธศาสนาเราต้องเสียอะไรบ้างภาษาพระท่าเรียกว่าปริยัติธรรม อริยติธรรมก็คือการศึกษาครรสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอะไรทำแล้วเราจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนจากการกระทาถ้าเราชอบผลตอบแทนแล้วเราเห็นว่าการกระทานี้ไม่สุดวิสัยไม่เกินความสามารถเราคิดว่า ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยลงทุนไม่มากแต่ได้ผลตอบแทนมากเหมือนพวกญาติโยมที่ชอบซื้อลอตเตอรี่เห็นว่าลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทนมากถ้าถูกแต่ถ้าไม่ถูกก็ขาดทุนไม่กี่ตังคนถึงชอบลงทุนกับลอตเตอรี่กัน ถ้าถูกมันได้เยอะซื้อร้อยเดียวได้ต้องสามล้านศาสนาพุทธก็เหมือนกันศาสนาพุทธก็ต้องมีการลงทุนไม่ไม่ได้มาปรัเปล่าเราต้องลงทุนกันวันนี้เรามาลงทุนซื้อประกันด้วยการมาทำบุญทาบุญท ก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวกันเอาเวลาไปหาเงินหาทองกันเราก็เอาเวลานี้มาทำบุญทำทานมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษ า, าวิธีที่เราจะซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตกัน ว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างอพอเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วเราก็นําอกไปทำกันเหนเวลาญาตโยมที่ขายประกันนี่กว่าจะคนที่จะซื้อประกันนี่กว่าก็จะซื้อนี่เราก็พูดเส้นเหนื่อยเล ย, ยนะพูดโน้มน้าวพูดอะไรต่างๆเปรียบเทีบยบเป็นฝากเป็นไว้เทนตาในธนาครารเฉยๆ สู้ซื้อประกันไม่ได้เอาเงินซื้อประกันดีกว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดไม่สบายเกิดตายนได้รับการคุ้มครองถ้าฝากเงินไว้ธนาคารก็ได้แค่ดอกเบี้ยผลตอบแทนต่างกันก็ต้องใช้เวลาพูดเวลาอะไรให้คนที่ไม่รู้เรื่องได้รู้เรื่อง เขาได้รู้เรื่องแล้วเขาได้เปรียบเทียบดูกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆถ้าเ็เห็นว่าการซื้อประกันชีวิตซื้อประกันภัยนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเขาก็จะตัดสินใจซื้อประกันจากเราแต่คนขายประกันก็ต้องเก่งต้องพูดต้องพูดให้เขาเข้าใจ ให้ใเขาเห็นผลดีผลเสียให้เขาเปรียบเทียบดูกับการลงทุนในรูปแบบอื่นว่าแบบไหนจะดีกว่ากันอย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปอย่างนี้เป็นการซื้อประกันภัยที่จะได้ผลตอบแทนดีกว่า การที่เราจะเอาเงินไปใช้ในรูปแบบอื่นเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันไปซื้อของผู้เฟืยกันซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เต็มตู้แล้วซื้อของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแต่อยากซื้อซื้อของตามความอยากใช้เงินตามความอยากนี่ มันจะทำให้เราเสี่ยงต่อการที่จะต้องหาเงินแบบไม่ถูกต้องเพราะเงินจะไม่พอใช้เมื่อเงินไม่พอใช้ก็อยากจะหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก็ต้องหาด้วยวิธีทำบาปชอบโกงโกหกหลอกลวงหรือถ้าร้ายกว่านั้นก็อาจจะถึงกับฆ่าผู้อื่นทำลายชีวิตผู้อื่น เพื่อให้ได้เงินทองที่เราจะจะได้เอาไปซื้อของตามความอยากตา่างๆเพรพอลองซื้อของตามความอยากแล้วมันจะติดความอยากมันจะไม่หมดมันอยากจะซื้อเรื่อยๆแล้วพอไม่ไม่ได้ซื้อมันก็หมดหงยดหําลำคาญใจไม่มีความสุขมันก็เลยกดดันให้เราต้องใช้เงินมากเมื่อใช้เงินมากก็กดดันให้เราต้องหาเงินมาก หาเงินมากมันไม่หาแบบวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมมันก็หาได้ยากกว่าการหาโดยวิธีผิดศีลธรรมก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะซื้อประกันภัยของพุทธศาสนาได้ก็คือการรักษาศีลห้าถ้าเรารักษาศีลห้าได้ พระพุทธศาสนารับประกันว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นผีไม่ต้องเป็นนรกไม่ต้องตกนรกวิธีที่จะทําให้เราไม่ทําบาปก็คือเราต้องไม่ใช้เงินตามความอยากใช้เงินตามความจําเป็นความจําเป็นก็คือปัจจัยสี่ เช่นอาหารเครื่องนุ่มหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ต้องใช้ให้มันพอดีกับความต้องการอย่าใช้มากกว่าความพอดีเช่นเสื้อผ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในพระมีชุดเดียวก็พอนมีผ้าใบหนึ่งชุดก็อยู่ได้แล้วมีมากก็เป็นภาระกับการต้องคอยเก็บรักษา มีภาระกับการต้องซักต้องอะไรแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้ได้ทีละชุดเท่านั้นเองแต่มีเก็บไว้เป็นสิบสิบชุดใส่ชุดไหนมันก็เหมือนกันมันไม่ได้เปลี่ยนให้เราเป็นอะไรตามที่กับเสื้อผ้าหรอกเสื้อผ้ามันก็เป็นเสื้อผ้าเราก็เป็นเราเราดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้า เราดีหรือไม่ดีอยู่ที่ศีลธรรมอยู่ที่การทําบาปหรือไม่ทําบาปถ้าเราอยากจะเสริมความ ง, งานให้กับชีวิตจิตใจของเราเราต้องเสริมด้วยศีลธรรมไม่ใช่เสริมด้วยเสื้อผ้าเรือพวกเครื่องประดับต่างๆแหวนเอวยสร้อยเอวยต้มหูเอวยนาฬิกงนาฬิกา เกื่องประดับต่างๆไม่ได้ทำให้เราสวยหรอกอาจจะสวยทางรูปแต่ทางสาระจริงๆไม่ไม่มีความสวยงามไม่ได้ทำให้เราสวยคนสวยจริงๆนี่สวยที่ใจสวยด้วยศีลละธรรมคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปกไม่ดื่มสุรายาเ ม, มายเป็นคนที่สวยงาม เพราะจะไม่ไปสร้างความโกลคารให้แก่ผู้อื่นไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับตัวเองตัวเองก็ไม่ต้องไปไปเกิดในอบายไม่ต้องไปพบกับภัยเกิดเป็นเดรัจฉานี่อยู่แบบน่ากลัวเมื่อคืนนี้เห็น ตุ๊กแกตัวหนึ่งตามจะกัดแมลงสาบนะพอดีมันมีกระจกกั้นไว้มันก็กัดไม่ได้มันเห็นตัวแต่มันเข้ามาไม่ได้แมลงสาบอยู่ด้านของกระจกตุ๊กแกมันเห็นว่าตุ๊กๆมันก็ปากชนจะกัดเห็นไหมถ้าเป็นสัตว์ในราชามันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ที่ไหนเผลอก็เดี๋ยวเจอสัตว์ที่เขาตัวใหญ่กว่า เขาหิวเขาก็าเอาเอาเราไปเป็นอาหารถ้าเป็นมนุษย์นี่เรายัางค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าเราไม่ที่หลบภยัยมีบ้านมีอะไรมีกฎหมายคุ้มครองมีอะไรคอยป้องกันไม่ให้มนุษย์ด้วยการมาทำร้ายกันการมาเกิดเป็นมนุษย์จึงปลอดภัยกว่าการไปเกิดเป็นเดรัจฉาน การไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็เพราะไปทำบาปทำบาปด้วยความไม่รู้คิดว่าเป็นอาชีพต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยต้องทำบาปเช่นพอค้าแม่ค้าก็ต้องโกหกถึงจะขายได้อย่างเงี้ยระวังขายประกันก็อย่าไปโกหกเขานะเดี๋ยวจะกลายเป็นเดรัจฉานไปต้องพูดตามความจริงถ้าไม่ถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไร ถ้าพูดไม่หมดอย่างนี้ไม่ถือว่าบาปแต่ก็อาจจะไม่สดจริตไม่ไม่ไม่บอกทุกอย่างให้เขาฟังเวลาขายอบอกแต่ส่วนที่ดีแต่ส่วนที่ไม่ดีไม่บอกอันนี้ก็ไม่ถือว่าบาปเพราะไม่ได้โกหกแต่มีเจตนาส่อที่จ ะ, ะโอกองเขาหลอกลวงเขา มันก็ทำมาหากินก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเสี่ยงกับการทำบาปขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ช่างหัวมันถ้าเราไม่มีความอยากจะใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่รับร อ, องได้ว่าเงินทองที่หามาได้นี่พอกินพออยู่พอกินเงินที่เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันไม่มาก้ที่มากมันคือเอาเงินที่มาเลี้ยงตันหาเลี้ยงกิเลสมากกว่า เรื่องความโลภความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ได้แต่พอเห็นคนอื่นเขามีก็อยากจะมีตามเขาเราก็อยากจะมีมากกว่าเขาอยากจะมีเด่นกว่าเขาแข่งขันกันอีกก็เลยอาจจะทำให้เวลาท ร, รมาหากินนี้อาจจะ ทำโดยไม่ถูกต้องทำบาปข้อใดข้อหนึ่งไม่โกหกก็ช่อโกอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เราต้องไปรับใช้กรรมในบายได้วิธีที่เราจะไม่ต้องไปทำบาปก็คือเราต้องมีความมักน้อยสันโดษ อย่างรอบมากในปัจจัยสี่หรือในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นอะไรสวยงามก็อย่าชอบก็อยากไปอยากได้ดูดูว่าดูความจำเป็นว่าต้องมีหรือเปล่าถ้ามีแล้วถ้าไม่มีแล้วตายหรือเปล่าให้ถามอย่างนี้ถ้าถ้าตายก็ต้องมีเช่นน้ำเนี่ยน้ำดื่มนี่ถ้าขาดน้ำดื่มเดี๋ยวตายเราต้องซื้อมนดื่ม ขาดอาหารถ้าไม่มีอาหารรับประทานไม่มีก็ต้องซื้อมารับประทานแต่ถ้ามีแล้วมีพอแล้วไปซื้อมากลัวจะอดในวันหน้าก็อันนี้ก็เป็นความโลภด้วยกินมากเกินไปก็เป็นความโลภ ก, กินให้มันพอดีพอให้อยู่ได้ก็พอแล้วค่าใช้จ่ายมันจะไม่มาก นี่คือวิธีที่จะทําให้เราไม่ทําบาป ก, กันคือเราต้องมีความมักน้อยหรือสันโดดสันโยสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเดือนนี้หาได้เท่าไหร่ก็พอใจกับที่หามาได้แล้วก็ใช้ไปตามที่เรามีอยู่มีมากมีน้อยก็ใช้ไปตามที่เรามีมีน้อยก็ใช้น้อยกินน้อยหน่อย ถ้ามีมากก็กินมากหน่อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราประกันภัยให้แก่จิตใจของเราตายไปไม่ไปเกิดในอบายแน่นอนถ้ารักษาศีลได้ทั้งห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดธไม่ดื่มสุรายาเมา เหตุที่จะทำให้เราไปพูดบดไปฆ่าสัตว์ไปลกักทรัพย์ไปชอโกงลกักทรัพย์เป็นประพฤติผิดระไรนี้ก็จากการที่เราใช้เงินตามความอยากโดยเฉพาะเงินที่ใช้กับเกี่ยวกับอมาอยมุขเล่นการพนันอยากจะหาเงินแบบง่ายๆ ตังเฉยแล้วก็เล่นการพนันกันเล่นแล้วถ้าได้ก็ได้ทีเยอะแยะเลยแต่คนเล่นการพนันนี้มันมักจะขาดทุนมากกว่าได้ถ้าได้มาก็อาจจะเอาเงินมาใช้แบบสูรลุยซูรอไลซื้อแบบไม่เห็นคุณค่าของเงินซึ้ไปใช้ไปเี๋ยวก็หมดก็ต้องกลับไปเล่นใหม่ เงินหมายถ้าเสียก็อยากจะได้คืนเงินหมดก็ต้องขายข้าวของเพื่อที่จะเอาเงินมาเล่นต่อถ้าเล่นยังหมดอีกข้าวของหมดก็ขายบ้านขายที่ดินอีกขายหมดหมดตัวท่านเปรียบเทียบว่าขโมยขึ้นบ้านนี่ยังดีกว่าเล่นการเสียการเล่นการพนัน พก่มวยขึ้นบ้านมาเอาเอาได้แค่ข้าวของนะั่นบ้านที่ดินยังเอาไปไม่ได้ไฟไม้บ้านมันก็ไม่ได้แต่บ้านกับข้าวของที่ดินมันยังไม่ไม่ได้แต่เล่นการพนันนี่มันเอาหมดเลยทั้งข้าวของทั้งบ้านชอบทั้งที่ดินแล้วพอไม่มีเงินจะทำไงไม่มีอาชีพอาชีพเล่นการพ น, นันพอไม่มีเงินเล่นมันก็ตกงาน ต้องงานก็ต้องไปขโมยเงนินลงเสษยาเสจติด <c oughs> ดื่มสุรายาเมาก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอต้องมีต้องใช้หารเงินมาซื้อของพวกนี้ก็ต้องไปขโมยแถวบริเวณแถววัดนี่มีพวกติดยาเสพติดเยอะชอบก็มาขโมยของในวันขโมยเงินในตู้บริจาคขโมย ของแม้แต่ทั้งกรอบหน้าต่างอะลูมิเนียมมันก็ถอดไปสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์นี่ตัดไปเอาทองแดงไปขายนี่คือเหตุที่จะทำให้คนเราไปทำบาปกันเพราะใช้เงินแบบไม่ระมัดระวังใช้แบบใช้ตามความอยาก จะใช้ตามความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะมันจะอยากใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตดูไหมสมัยเราเป็นเด็กๆ เ, เราใช้เงินวันละเท่าไหร่ไปโรงเรียนพ่อแม่ให้เงินเท่าไหร่ก็ใช้ได้เท่านั้นพอโตขึ้นมาหาเงินเองได้แนละทีนี้ใช้แบบนั้นได้ไหมใช้แบบเงินที่เราไปใช้ที่โรงเรียนนะถ้าได้เงินเดือนระดับหมื่นก็ใช้มันระดับหมื่นพอถ้าระดับแส น, นก็ใช้ระดับแสน มันเอาไปใช้อะไรมันมีของให้ใช้ของให้ซื้ออยู่นั่นแหละแล้วพอเงินใช้ไม่พอยิ่งสมัยนี้มีบัตรเครดิตให้รูดอีกนีนนะ่ก็ไม่สนใจดูยอดว่าใช้ไปเท่าไหร่เห็นอะไรชอบก็รูดบัตรรูดบัตรพอเส้นเดือนบินส่งมาโอ้ถ้าจะเป็นนมไม่มีเงินจ่าย จะทำยังไงต้องหาเงินเพิ่มมาเส้ยเงินเพิ่มเดี๋ยวถ้ามีใครมามาชวนไปหาแบบไม่ถูกก็อาจจะต้องทำ น, นี่คือการทำบาปนี้เกิดจากการที่เราใช้เงินแบบไม่รอบคอบใช้เงินตามความอยากไม่ใช้ด้วยเหตุด้วยผลถ้าใช้ด้วยเหตุด้วยผลนี่เราจะมีเงินเหลือใช้ จะเป็นเศรษฐีกันเพราะเงินที่เราใช้ด้วยเหตุผลก็มีแค่เนี้ยแค่อาหารค่าอาหารเวลาเท่าไหร่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อแล้วเมันเหลือใช้แล้วออมันขาดก่อนให้มันใส่ไม่ได้ก่อนนรองเทาง้ากระเป๋านะัน่มีกี่ใบแล้ว <laughs> <laughs> แต่มันยังอยากซื้ออยู่เพราะมันซื้อด้วยความอยาก ถ้าซื้อด้ยวยความจำเป็นมันหยุดไปนนานแล้วต้องซื้อด้วยเหตุผลจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อมาคำว่าจำเป็นก็คือถ้าไม่มีมันแล้วไม่ถ้าไม่มีมันแล้วตายก็ต้องซื้อมาถ้าไม่มีมันแล้วไม่ตายก็ไม่ต้องซื้อถ้าไม่มีเงินซื้อกระเป๋าก็ใช้ถุงวาสติกก็ได้มีหลายอี่ห้อหมิงา มีเทสโก้มีเซชันเนี่ยที่สวยงามเนย <laughs> ไม่ต้องเสียเงินของแถมซื้อของเขา้าแถมถุงให้แถมกระเป๋าให้ถ้าเราดาราภาพยนต์เขาใช้กระเป๋าแบบนี้เดี๋ยวก็ใช้ตามกันเนี่ยเป็นแรชั่นกันเนี่ยต้องให้ผู้นำนี่ทำเป็นตัวอย่างเอาไปนี้เลอกใช้กระเป๋าคุชชี่เวอร์ซาเซ ใ, ใช้กระเป๋าเซนชรัลใช้กระเป๋าเทสโก้แท น, นเดินไปไหนทุกคนก็ถือกระเป๋าเปลี่ยนได้วันเปลี่ยนได้หลายยี่ห้อเนี่ยวันนี้เทสโกพรุ่งนี้เซนชรัลวันเนนี้ท o p เปลี่ยนยี่ห้อได้แล้วเงินจะเหลือเงินมีเงินเก็เกบไว้เยอะแยะเงินที่จะเอามาทำบุญได้งินงทำบุญนี่ก็เป็นประโยชน์สองส่วน ส่วนแรกก็คือเป็นเงินเก็บฝากไว้ในธนาคารบุญไม่หายไปไหนชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็จะมีเงินรอเราอยู่ไม่ต้องมาหาใหม่กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะพวกที่เกิดมาพ่อแม่รวยเนี่ยแสดงว่าชาติก่อนเคยทําบุญมาก่อนพอกลับมาก็มีเงินรอเราอยู่แล้วเวลาตายไปก็สามารถเอาเงินที่ทําบุญนี้ไปเที่ยวได้ ไปเที่ยวสวรรค์กันไปเที่ยวสวรรค์กันก่อนก่อนที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วการทำบุญนี้จะทำให้เรามีจิตใจที่อกอ้อมอารีเมตตาจะทำให้เราไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นจะทำให้เราไม่อยากจะทำบาปทำบาปแล้วทำให้คนเดือดร้อนจะไม่อยากจะทำ เพราะเราอยากจะทำให้คนอื่นก็มีความสุขคนที่ทำบุญนี่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขจึงทำบุญกันญาติโยมอยากให้พระอยู่กันสุขสบายก็เลยมาทำบุญกันมาซื้อน้ำซื้ออาหารซื้อข้าวซื้อของถ้าไม่มีญาติโยมพระก็เดือดร้อนอดยากขาดแคลนทุกยากลำบาก คนที่ทําบุญแล้วจะเป็นคนที่จะทําบาปได้ยากวิธีที่จะไม่ทําบาปก็มีสองวิธีทําบุญหรือว่าอย่าใช้เงินตามความอยากให้ฝึกมีมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นกระเป๋าเอาสักกี่ใบดีรองเท้าเอาสักกี่คู่ดีเสื้อผ้าเอาสักกี่ชุดดีพอ ได้ตามความจาเป็นแล้วก็หยุดถ้าจะซื้อใหม่ก็ต้องให้ของเก่ามันใช่ไม่ได้ก่อนอย่างนี้ก็ จ, จะทำให้เราจะไม่ไปทำบาป ก, กันเพราะเราจะมีเงินทอพอพอใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะทำให้เรานี่ถ้าเราอาจจะไม่ต้องทำงานมากก็ได้ ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราอยากจะซื้อประกันอีกอันหนึ่งคือประกันชีวิตนีประกันชีวิตนี้ต้องใช้เวลาต้องมีเวลามากกว่าการซื้อประกันภัยซื้อประกันภายนี้เพียงแต่ไม่ทํำบาปห้าข้อนี้ก็ได้แล้วส่วนประกันชีวิตนี้คือถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดถ้าไม่กลับมาเกิดก็ต้อง ไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบแล้วก็ไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความอยากนี่เป็นเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันเราอยากเราอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตามีหูพอร่างกายนี้ตายไป ก็ต้องไปหาร่างกายอังไหน่ไปหาไปมีตามีหูใหม่เพราะความอยากดูอยากฟังยังไม่ตายไปกับร่างกายความอยากดูอยากฟังมันอยู่ที่ใจใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันร่างกายตายไปแต่ใจไม่ตายใจที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณเนี่ยเวลาร่างกายตายไปใจก็เราก็เรียกดวงวิญญาณดวงวิญญาณ น, นี้มีความอยาก ดูอยากฟังอยากลิ่มรสดมกลิ่นก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ก่อนที่จะไปหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปใช้บาปใช้บุญก่อนถ้าซื้อประกันไยัยก็ไม่ต้องไปใช้บาปถ้าทำบุญก็ไปท่องเที่ยวก่อนไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปดูรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก่อนพอพอบุญ ที่ทำไว้มันหมดนัมนเราไปเที่ยวเงินที่เราไปใช้กับการเที่ยวหมดเราก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาหาเงินใหม่มาทำทำงานหาเงินใหม่ดวงวิญญาณนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่ไปท่องเที่ยวในสวรรค์จนกระทั่งบุญที่ได้ทำไว้หมดก็กลับมาหาร่างกายเพราะว่าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้ว ออมบุญหมด้วถ้ามีบุญก็ใช้บุญนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องมีร่างกายอยู่ในโลกทิพย์บุญนี้ก็ท่องเที่ยวในโลกทิพย์ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันดีนะฝันดีนะไม่ต้องใช้ร่างกายเลยฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปเห็นอะไรได้ยินอะไรไปกินอะไรมีความสุขพอตื่นขึ้นมาก็กลับเข้ามาในร่าง จิตก็กลับก็มาในร่างอันนี้ก็เหมือนกันเวลาตายร่างกายร่างกายตายไปจิตก็ไม่สามารถใช้ร่างกายไปเที่ยวได้พาไปเที่ยวได้ก็เลยใช้บุญพาไปเที่ยวแทนถ้ามีบุญบุญก็พาไปเที่ยวพอบุญหมดก็กลับมารอร่างกายอันใหม่พอใครตั้งท้องก็เข้าไปจับจองขอร่างกายอันนี้ พอข้อหล่อมาก็เริ่มหัดเดินนะครับอะไรต่างๆหัดใช้ร่างกายมันหัดขับรถหัดเดินหัดยืนหัดนั่งหัดวิ่งหัดกินหัดอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับหัดขับรถพอสามารถควบคุมร่างกายได้ก็ใช้มันพาไปหารูปเสียงกลิ่นแล้วะอยากดูเห็นไหมเด็กๆนี่ขนาดเด็กๆอยากดูอยากเล่นอะไรอย่างเง้ยอยากดูอยากฟังเสียงอยากอะไร อันนี้แหละเพราะความอยากมันไม่ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจมันก็เลยพาให้กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่หยุดความอยากนี่มันก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่พอเกิดมาเกิดมันก็ต้องมาตายใหม่ทุกคนที่เกิดนี่ไม่มีใครไม่ตายเกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่ว่าตายเป็นขั้งสุดท้าย พระพุทธเจ้ารู้ว่าวิธีที่จะทำให้ไม่ตายก็คือต้องไม่มาเกิดะวิธีที่จะไม่มาเกิดก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอตัดความอยากเหล่านี้ได้ก็จะไม่กลับมาเกิด วิธีที่จะตัดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องหยุดใจหยุดความคิดวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติใช้พุทโธพุทโธนั่งเฉยๆพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวอยากขึ้นมาคิดถึงลสของกาแฟนี่อยากขึ้นมาทันที คิดถึงรสของขนมเนี่ยอยากขึ้นมานทีเดี๋ยวนั่งไม่ได้ต้องลุกขึ้นไปชงกาแฟลุกไปกินขนมก่อนขอกินก่อนให้ใ ห, หายอยากก่อนแล้วค่อยมานั่งใหม่ต้องควบคุมอยากให้ไปคิดถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเรื่อยๆมันก็จะไปคิดอะไรไม่ได้หรือถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนะ คอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรกำลังล้างหน้ากำลังแปรงฟันกำลังหวีผมเวลาแต่งทาคิ้วแต่งหน้าทาปากก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมๆกันให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับการทำงานของร่างกายาการเคลื่อนไหวของร่างกายลราใจเราจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้ามันคิดก็อาจจะต้องใช้พุโทโธช่วย พอมันทำกำลังทาปากอยู่มันก็ไปคิดถึงคนนู้นคนนี้ก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดมันหัดหยุดความคิดถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีกำลังหยุดนั่นพอเวลาเรานั่งสมาธินั่งหลับตาเราก็เพ่งอยู่กับลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธไปถ้าไม่มีความคิดเดี๋ยวจิตก็สงบนิ่งเหมือนรถที่วิ่งแล้วจอดพอรถจอดแล้วคนขับก็สบาย ง่วงนอนก็นอนได้เลยถ้าเวลาขับแล้วมันง่วงนอนนี้นอนก็นอนไม่ได้เพราะรถยังไม่จอดเดี๋ยวถ้าหลับนาเดี๋ยวก็ชนกันก็ต้องจอดรถก่อนพอจอดรถดับเครื่องใส่เบรมือเสร็จก็หลับเลยพักก่อนได้จิตเวลาสงบก็เหมือนตอนที่รถจอดเนี่ยพอรถจอดแล้วจิตสงบนิ่งจิตก็เลยสบายไม่ต้องเครียดกับการขับรถ ไม่ต้องเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราเครียดก็เครียดอยู่กับความคิดของเรานี่เองตอนนี้เราคิดถึงหนี้สินขึ้นมาเลยเครียดแล้วคิดถึงเจ้านี่ก็เครียดคิดถึงลูกนี่ก็เครียดลูกนี่ก็ไม่ยอมจ่ายเจ้านี่จะมาคอยทวงมันก็เครียดขึ้นมา ท, าทันทีพอเราหยุดคิดได้มันก็สงบเย็นสบายมีความสุข พอเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วใจก็จะไม่หิวกับลูกเสียงกิน่นรถเลไม่หิวกับกาแฟไม่หิวกับขนมใจจะรู้สึกเฉยเฉยสบายในขณะที่สงบนะนเวลาสงบก็ไม่ควรไปบรบกวนใจปล่อยให้มันสงบนะอย่าเพิ่งเอามาใช้ทางปัญญาจะใช้ทางปัญญาต้องรอให้มันออกมาจากความสงบก่อนพอมาจากความสงบแล้ว พอมันจะไปคิดหาขนมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกินขนมแล้วมันทุกข์นะเพราะเวลาอยากกินแล้วไม่ได้กินมันจะทุกข์มันต้องมีสักวันหนึ่งที่อยากแล้วมันจะไม่ได้ตามความอยากขนมอาจจะหมดหรือไม่สบายกินไม่ได้หรือหมอห้ามว่าเบาหวานขึ้นแล้วกินไม่ได้แล้วตอนนั้นมันก็จะทุกข์ถ้าอยากกินขนมแล้วกินไม่ได้ ให้พิจารณาว่าการอยากขนมนี่จะทำให้เราต่อไปต้องทุกข์อยากอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างทั้งวันหนึ่งมันจะไม่เราจะไม่ได้ดังที่เราอยากได้พอเวลาที่เราอยากเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไม่สบายแก่แล้วไปไม่ไหวแล้วมันก็จะทำให้เราอยู่บ้านแบบซึมเศร้าเนี่ยทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปทำตามความอยาก ความอยากมันก็จะไม่มาดึงเราไปไม่นําวมาลากออกไปเราอยู่เฉยๆก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เราซึมเศร้าไม่มีอะไรให้เราว้าเหว้หน่อยเหงาไม่ทําอะไรให้เราหงุดหงิดที่เราหงุดหงิดลาคาญใจก็เพราะความอยากอยากเราไม่ได้ดังใจอยากก็เลยหงุดหงิดกันแต่ทานที่เราจะยอมทนกับความหงุดหงิดเพื่อสู้กับความอยากเราก็แพ้มันยก พอมันให้เราพอเราไปยันทได้ปั๊บรีบไปทันทีเลยพอหายจากไม่สบายก็ไปเลยอยากจะไปไหนก็ไปต่อเลยไม่เห็นไม่เห็นโทษของการทำตามความอยากว่ามันจะพาให้เราอยากไปไม่มีวันสิ้นสุดวิธีที่จะทาลายความอยากก็คือไม่ต้องไปทำตามความอยากและวิธีที่จะทำได้ก็ต้องมีสมาธิมีความสงบเพราะเวลาใจาสงบแล้วมันมีความสุขในตัว เวลาความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ฝืนมันได้ไม่ทําตามมันได้จะไม่รู้สึกทรมานเพราะมีความสุขใจที่เกิดจากความสงบยังมีถ้ามันทรมานใจเราก็กลับไปนั่งสมาธิต่ตอได้ไปพุโทโธพุโทโธแทนที่จะไปทับชมกาแฟก็ไปพุโทโธพุโทโธถ้าทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟแล้วเราไปพุโทโธพุโทโธต่อไป กาแฟก็เลิกดื่มได้าจริงๆของทุกอย่างที่เราติดอยู่นี่เลิกได้หมดบุหรี่กาแฟสุรายาเมาช้อปปิ้งท่องเที่ยวอะไรต่างๆสามารถหยุดได้หมดความอยากต่างๆไม่หยุดได้หมดหยุดด้วยสมาธิแต่ต้องต้องต้องใช้ปัญญาสอนว่าทำไมต้องหยุดถ้าไม่ไม่มีเหตุผลไ ม, ไม่ยอมหยุด จิตตั้งสอนเหมันว่าทำไมต้องหยุดเพราะว่าต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี่เหมือนกับเอามีดมาทิ่มแทงใจเราดังน้เราต้องอยากไปทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะเศร้าซ้อนโงยเหงาไม่ไม่อยากจะว้าเหวไม่อยากจะหุดหดจิตลาคาญใจอย่าไปทำตามความอยากมานั่งสมาธิแทนเวลาอยากแล้วมันหุดหดมาแก้ด้วยการนั่งสมาธิแทน พอจิสมมตสงบเราจะหายกดเงียหายว้าเหวหายเศร้าส้อยหายซึมเศร้าต่อไปความอยากมันจะหมดกำลังไปพอความอยากหมดกำลังทีนี้ก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกมือกายนะเพราะเราไม่อยากจะเที่ยวไม่อยากจะดูอยากจะฟังเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขนะมีความสุขจากการทำใจให้สงบ ม, มีสติมีปัญญา เราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ได้เป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ยาวและถาวรความสุขที่เราได้จากดื่มกาแฟเดี๋ยวเดียวถ้วยหนึง่งดื่มไปปักหนึ่งเดี๋ยวก็หมดละอีกสักพักก็อยากจะดืมนะ่มใหม่ละถ้าไม่อยากจะดื่มก็อยากจะกินอยากจะดูอยากจะฟังอะไรไปเรื่อยๆสลับกันไปวนเวียนกันนะเดี๋ยวก็หิวทางตาเดี๋ยวก็หิวทางปากเดี๋ยวก็หิวทางหู โอนวีนกนไปเองมันอยากไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสุขในใจเราสามารถต้านความอยากเหล่านี้ได้เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่านี่คือวิธีที่จะทำให้เราซื้อประกันชีวิตต้องลงทุนมากหน่อยต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราเป็นคนมากน้อยสันโดษไม่ใช้เงินตามความอยากเราบางทีทางาน ปีละเดือนก็พอทำงานเดือนหนึ่งก็มีเงินไว้กินได้ทั้งปีลวก็เอาเวลาที่เราไม่ทำงานอีกสิบเ็ดเดือนนี้ไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิไปต่อสู้กับความอยากเดี๋ยวไม่นานความอยากก็หมดหมดแล้วก็สบายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตาย นี่คือวิธีซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาต้องภาวนาต้องถือศีลแปดขึ้นไปต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูก น, นิ้ไกายคนถือศีลแปดนี้ไ ม, ไม่ไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่กินอาหารข้ามอาหารเย็นไม่ดูหนังฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่ไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่าง ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะไปหาที่สงบตามวัดตามวาไปนั่งสมาธิหยุดให้เกิดความสุขใจขึ้นมาพอามีความสุขใจก็เวลาเกิดความอยากก็ฝืนมันได้ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปก็สบายหมดความอยากเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมานั้นเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายนี่คือประกันชีวิต ที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อได้นัแต่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันสูงหน่อยถ้าประกันภัยก็น้อยหน่อยแอลรักษาศีลหข้อก็ได้เบี้ยประกันภัยแล้วได้ได้คุ้มครองทำประกันภัยแล้วแต่ถ้าต้องการประกันชีวิตนี่ต้องถือสินแปแล้วก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสนใจว่าการทําตามความอยากเป็นการ สร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขต้องหยุดความอยากต้องไม่ไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจเราก็จะฝืนได้หยุดได้เพราะเราอยากจะไม่อยากจะตายต่อไปขอตายเป็นครั้งสุดท้ายคือชาตินี้ขอตายเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่อยากจะกลับมาตายใหม่นี่คือเหตุผลทำไมเราต้องฝืนทำไมเราต้องไม่อยากดื่มกาแฟ ทำไมเราต้องไม่อยากดูหนังฟังเพลงทำไมเราต้องไม่อยากซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้ออะไรต่างๆทำไมเราต้องไม่อยากไปท่องเที่ยวเพราะเราไม่ต้องการที่จะกลับมาตายใหม่ถ้าเรายังมีความอยาก <c oughs> ในสิ่งเหล่านี้อยู่เดี๋ยวเราต้องกลับมาหาใหม่พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกลับมามีร่างกายใหม่เพื่อเราจะได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มใหม่ได้ไปท่องเที่ยวใหม่ก็ต้องกลับมาตายใหม่ เาต้อนี่คือปัญญาถ้าเราเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็อย่าไปทําตามความอยากไม่ทําตามความอยากไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนหอกถ้าเรามีสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้เวลาอยากกาแฟก็ไม่นั่งสมาธิแทนนั่งไปจิตสงบความอยากกาแฟก็หายไปความอิ่มใจก็เข้ามาแทนที่ ความสุขใจก็เข้ามาแทนที่ดีกว่าการไปดื่มกาแฟแล้วต่อไปก็จะไม่อยากจะดื่มกาแฟนี่คือวิธีกำจัดความอยากที่จะทำให้เรากลับมากิดหน้าตายใหม่กลับมาเกิดมาตายใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาตายใหม่เราก็ต้องซื้อประกันชีวิตอันนี้ต้องรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาว่าการทาตามความอยากนี่ ทำไม้เราต้องกลับมาตายกันอยู่เรื่อ ย, อยนี่คือเรียกว่าการศึกษาท่านต้องต้องศึกษาก่อนศึกษาวิธีที่เราจะซื้อประกันไทยประกันชีวิตว่าเราจะต้องจ่ายยังไงเวลาคนก็ซื้อประกันโยมบอกเขาใช่ว่าเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าจะประกันเท่านี้ต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้สมมติน จำนวคนขายอ่ะคนขายก็ต้องอธิบายคนซื้อให้ว่าเขาต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุเขาจะได้รับใช้เท่าไหร่พอคนซื้อรู้ ก, ก็ก็ต้องทำละต้องปฏิบัติละถ้าอยากจะได้คุ้มครองก็ต้องทำละตอรักษาศี่ห้าแล้วต่อไปนี้ถ้าอยากจะไม่ไปเกิดในอบายต้องรักษาศี่ห้าคอให้ได้ยอมตายดีกว่าไปอบาย ยอมตายดีกว่าไปทําบาปทําบาปแล้วต้องไปอาบายถ้ายอมอดตายเวลาตายกลับมาไม่ต้องเวลาตายไปไม่ต้องไปอาบายถ้าไม่มีบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปท่องเที่ยวไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีบุญไปเที่ยวก็กลับ cosa, ามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ไม่ต้องไปอาบายยอมอดตายดีกว่า <ø> นะเห็นห้าข้อก็ได้ได้รับได้เห็นห้าข้อก็ประกันภัยให้กับเราแล้ว ส่วนประการชีวิตเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากหน่อยต้องรักษาสิ้นแปดขึ้นไปต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้มีความสุขให้ได้ถ้าใจมีความสงบแล้วมีความสุขแล้วจะสู้กับความอยากได้ถ้ายังไม่สงบสู้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปกินไปดื่มต่อแต่ยังน้อยก็ดื่มกินแบบไม่ต้องไปทาบ่าวนี่แหละคือวิธีที่เราจะ ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคือขั้นต้นต้องศึกษาคำสอนพอศึกษาแล้วขั้นที่สองก็ไปปฏิบัติตามคำสอนไปรักษาศีหนา้าเพื่อซื้อประกันภัยไปนั่งสมาธิถือสีแปไปศึกษาปัญญาให้เกิดปัญญาก็เป็นการซื้อประกันชีวิตเมื่อเราทำแล้วเราก็จะได้รับผล รักษาศีลห้าไปรับรองตายไปไม่ไปอบายอย่างแน่นอนถ้าหยุดความอยากได้รับรองไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องตายนี่คือเรื่องของประกันภัยกับประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาที่นักจะต้องพูดเวลามีญานโยงขายประกันมาม า, มาเยี่ยมมาทำบุญก็ลเลยมีโอกาสดีได้ ซ้ำเรื่องเรานี่บยบ่อยๆญาติโยมจะได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเหมือนกับญาติโยมเห็นคุณค่าของบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตใช่ไหมเวลาแฟนเสียนี่ได้ไดประกันชีวิตหรอลได้ค่ะได้แต่ก็ยังไม่คุ้มอยู่ไหมแต่ยังเสียใจอยู่ เ, เขาคุ้มครองแต่ค่าเสียหา ย, ยแต่ก็ไม่มาคุ้มครองความทุกข์ใจของเราก็ยังดี ตอนนี้ต <Safe rév mark> okay. <sm> ้องมาใช้ธรรมะโอเคนะก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลรังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปฏจิตังตุมหังคิดป้เมวะสมิจจโตสัพเพบริยนโตสังกาปาจันโทปนะวะโสยธามณีจติหาโสยธาสัพพิติโยเวหะจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตปวะตอันตารายู สุขิทีขายุโกภวะอภิวาทานสีฤทสะนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวะฏฐานเตอายุวานุสุขังภาลังกลับมาเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวหน้ามาใหม่นะมาซืประกันใหม่ มีหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นหาอ่านยากเลยหนะงสือดีอ่านประวัติท่านแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเมื่อเมใสอยากจะทำตามท่านวันนี้ทำเฟซก็มาเท่าไหร่อันนี้เฟซบุ๊ก 0.444 ค่ะทาง u t u b e 113ค่ะวันธรรมดาคนจะเยอะอ่ะ ไม่ในินทางไปไหนมาไหนอยู่กับที่อยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านสะดวกต่อการรับสัญญาณถ้าเดินทางไปที่นั่นที่นี่มันจะไม่มีสัญญาณก็เลยขาดวันเราที่นี่แค่สามร้อยกว่ากับห้าสิบหกสิบถ้าวันธรรมดา4ี่ร้อยกว่าห้าร้อยกว่า YouTube ก็ร้อยกว่าขึ้นไปถ้ามีคนติดตาม ตลอดเวลาไม่รู้ของเรานี่เป็นรายการหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากเฟ e บุ๊ k ได้เยอะนะวันละสองชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยทามาปีหนึ่งวนะหายท่ดสดมาปีตั้งแต่วันวิสาขาปีที่แล้วนะวิสาขาหนึ่งหไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางเฟ e บุ๊ k เลย เสียแค่ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เสียค่ากล้องค่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทราบมีมีที่ไหนที่เขาถ่ายทอดอนี้ทุกวันไหมเห็นไหมีมไมทางเฟ e บุ๊ k <ม>ไม่มีนมี <laughs> เราเหรอมีแต่เทศแต่ว่าไม่ได้มีแบบโ ต, ต้ตอมีเทศทุกวันสดไหมสดก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีครั บ, ย, รบยังไม่เห็นครับยังไม่เห็ น, นครับด้อยรายการทางอื่นเขามีไหมทางทางโลกที่เขาถ่ายทอดสดผานทางยุทเป็นบลู u ูธทั่วันเนีไยมมีคร<ม>ัลโลกมีครับไม่รู้เขาเอาเข้าประโยช น, <c oughs> น, น์จากถ้าให้ถ่ายทอดสดนี่จากทางไหนเลยถ่ายโฆษณาเลยครั้ง<ม>ตอนความช่วงแรกๆจะมีโฆษณาขึ้นมา ตอนที่เวลาคนไปดูในรอบที่สองรอบที่สามนะครับอย่างอย่างของรายการสดเราเนี่ยถ้าเวลาย้อนกลับไปดูใหม่เนี่ยบางทีมีโฆษณาขึ้นมาอ๋อมีโฆษณาก่อนในช่วงแรกของ YouTube นะครับแต่ของเฟซบุ o กไม่มียังไม่มีครับในตอนนี้เขาให้ทนลองใช้ไล้ก่อนต่อไปถ้าดีเขาอาจจะเก็บตังค์ก็หลายปีกว่าปีก่าแยังไม่ได้เก็บตังค์ ถ้าเก็บตังก็คงมีญาติโยมพร้อมที่จะจ่ายยังจะประกาศให้รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาพวกเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายนี้ก็ญาติโยมเป็นคนถวายมานันะถวายผ่านทางทีมงานทีมงานนี่ก็มาเองไม่ได้ขอร้องให้มาไม่ได้เรียกร้องอชวนกันมาเอง เราเราปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรเนี่ยไม่ได้ไปมีข้อมัดผูกพันไม่ได้ไปขอร้องถ้าไปขอร้องเขาเดี๋ยวเขาก็เก่งอกเก่งใจเราบางทีเขาอาจจะไม่ว่างไม่สะดวกเขาว่าจะไปรบกวนเขาก็เลยไม่อยากจะขอร้องใครไม่อยากจะบวกใครให้เขาพิจารณากันเอาเองถ้าเขาเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์แล้วเขามีเวลาที่จะ แบ่งปันมาทำคุณทำประโยชน์อันนี้เขาก็มาของเขาเองนี่ก็เปลี่ยนมาหลายคนแล้วเนี่ยอันดเริ่มต้นมาก็คนนู้นมาคนนี้ไปเดี๋ยวสลับกันไปสลับกันม า, าไม่เทีย่ยงน่ะ <laughs> นี่ก็พูดเล่าให้ฟังเป็นภูมิเออเป็นเหมือนกับความรู้ว่าทำไมถึงมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมา เราจะอยากจะใช้หลักของธรรมจัดสรรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามศรัทธาตามอะไรต่างๆไม่มีการโน้มน้าวไม่มีการหวานล้อมไม่มีการหลอกล่อไม่มีการเชิญชวนป้ายเรายังไม่ติดเลยคนมาหาที่นี่หายากพว่าเทีหาทั้งหลายรอบหาไม่เจอเพาไม่ติดเนี่ย มีปาไม้ก็มาติดที่ตีนเข า, เาไว้ป้ายหนึ่งเพรา ะ, ะมันมีทางแยกหลายทา ง, าทางเดี๋ยวไปที่อื่นกันไปเขาเลยติดป้ายไว้แ น, นอกจากนั้นก็ไม่มีป้ายไม่ได้เขียนป้ายที่ไหนอที่นี่เดิมทีก็เป็นตั้งปัจจุบันเนี่ยที่นี่มันเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเรียกว่าสถานที่ปิกวิเวกเป็นชุดงสถาน เป็นที่พระมาถือธุดงคาวัตมาปฏิบัติธรรมก็ต้องการความสงบไม่ต้องการให้มีคนมาพลุบพลาดอาศัยว่าที่นี่มันใหญ่ก็เลยเรามีที่บริเวณรอบนี้เป็นส่วนที่เราสามารถที่จะแบ่งไว้ให้กับญาติโยมได้แต่ห้ามไม่ให้ไปจากที่บริเวณรอบบริเวณนี้ เขาจะไปเดินเท่นผ้าเดี๋วก็ไปบนบกวนพระที่ฉันกําลังนั่งสมาธิกําลังเดินจงกรมกันอยู่เนี่ย ต, ตอนนี้มีพระมีผู้ปฏิบัติธรรมกาลังนั่งสมาธิเดินจงกรมกันที่เขาปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น <c oughs> ถ้าต้องการซื้อประกันชีวิตมันต้องทําอย่างเนี้ยมันถึงจะได้ มีคำถามต่างประเทศหัหยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะเ อ, เอาของของของของคนไทยคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณวิชุตาค่ะตอนนี้ฉันตั้งท้องลูกคนแรกเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์คือเป็นโรควิตกกังวลมากค่ะเลยตั้งชื่อเ ล, เลยตั้งชื่อลูกคนแรกว่านะโมแปลว่านอบน้อม ตอนนี้ตั้งท้องลูกคนที่สองก็เป็นโรคแพนิกอีกค่ะดิฉันพอดีเห็นบทสวดมนต์มีคำว่านะมามิเลยอยากตั้งชื่อลูกว่านะมามิแปลว่านอบน้อมเช่นเดียวกันค่ะหาดิฉันจะตั้งชื่อลูกว่ามามิตัดคำว่านะไปความหมายจะเพียนไปและไม่ดีหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่หรอกมันเป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทาให้จหริญเสื่อมเป็นมงคลหรืออัปมงคล จเจริญรุ่เงเรืองเป็นมงคลหรือไม่ไม่เป็นมงคลอยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราพฤติกรรมถ้าเราทําบาปต่อให้ชื่อบุญมันก็ไปติดคุกติดตารางได้เข้าใจไหมต่อให้ชื่อดีเนี่ยไปที่นองไปที่คุกไปสํารวจชื่อคนติดคุกดูชื่อดีๆนั่นอ่ะชื่อในดีชื่อในบุญทำไมมาติดคุกอะ่ะก็ว่าทําไม่ดีทําบาป ยอย่าไปกังวลกับเรื่องชื่อชื่อมันเป็นสมมุติเป็นเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกว่าเราดีหรือชั่วมันไม่สามารถที่จะไปทำให้เราย่งั้นก็ตั้งชื่อเราเป็นอรหันต์เลยไม่ดีแล้วด้เป็นผ้าอารหันต์ไปเลยใช่ไหมถ้าถ้าเป็นปตามชื่อได้ก็ดีก็ต้องคนจะเป็นอรหันต์หนึ่งอรหันต์สองอเราควรจกซ้ากันเยอะแยะเลยทุกคนก็อยากจะเป็นอรหันต์กันนะ นะฉะนั้นก็อย่าไปอะไรกับชื่อมันเลยเหมือนสมัยนี้เราเล่นเน็ตมันก็ต้องตั้งชื่อกันนะก็ตั้งกันเข้าไปชื่อว่าบ้าบออะไรก็ตั้งยา้ายมันซ้ํากันก็แล้วกันถ้าซ้ำกันก็ใช้ไม่ได้มันก็เป็นแค่ชื่อ น, นัเพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาเราพูดถึงคนนี้ <c oughs> เราจะได้รู้ว่าเราพูดถึงคนนี้ไม่ได้พูดถึงอีกคนหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่ได้ตั้งชื่อเลย <c oughs> เดี๋ยวพูดไปเขาก็ไม่รู้ว่าพูดถึงคนไหน พูดถึงนโมหรือถึงนมามิก็ไม่รู้เอ็นเตอร์อะไรต่างๆคนนี้นโมคนนี้นมามิก็เท่านั้นเองเป็นเป็นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรากําลังคุยถึงเรื่องอะไรคุยถึงใครคําถามจากคุณลีตอนนี้บวชเป็นพระครับบวชอยู่วัดบ้านเขาเพ่งทางบทสวดมนต์พิธีต่างๆครับแต่กับผมชอบในการปฏิบัติมากกว่าบทสวด นี่จะเอาเฉพาะจําเป็นในกิจของสงฆ์เช่นสัพพีฉันอาหารเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าเรื่องบทสวดมนต์นี้สําคัญมากไหมและเกี่ยวกันยังไงกับการปฏิบัติครับจําเป็นต้องสวดบทยาก้วได้ไหมครับถึงจำถึงจะทําให้สําเร็จในทางปฏิบัติคือการสวดมนต์เน่มันก็มีประโยชน์เพราะมันเป็นการฝึกสติเป็นการควบคุมความคิดได้ในวิธีหนึ่ง คือถ้าเราสวมดมนต์เราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะเราต้องคอยจดจอ่ออยู่การสวมดมนต์อยู่มันก็เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิปไปอันนี้ที่วัดที่เราอยู่ถ้าก็มีกฎบังคับให้ทำเราก็ต้องทำตามเขาถ้าเราไม่ทำตามเขาเราก็ผิดกฎระเบียบแล้วก็อาจจะไม่ไ ม, ไม่ก็อาจจะไม่ให้เราอยู่กับเขาก็ได้ ยังถ้าเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทางําตามกฎระเบียบของเขาดะงนั้นก่อนจะบวชจึงควรจะศึกษาดูก่อนว่าแต่ละวัดที่เราจะไปอยู่นั้นเขามีการปฏิบัติเน้นไปในทางไหนบางวัดก็เน้นไปในทางสวดบางวัดก็เอาเน้นไปในทางรับสังฆทานรับกินนิมนต์แต่เราไม่ชอบรับสังฆทานไม่รับกินนิมนต์เดี๋ยวไปอยู่เขาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ บางวัดเขาก็เน้นแต่การปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนั่งสวดเดี๋ยวเขาก็ไล่ลไปอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละวัดนี่เขามีความให้ความสำคัญในการปฏิบัติในแบบไหนในระดับไหนคำถามจากคุณกมลทิพย์มีข้างบ้านทําธุรกิจเดียวกันกับเรากลุ่มลูกค้าก็กลุ่มเดียวกันถ้าลูกค้าร้านเราเยอะ เขาก็ด่าเรารุนแรงมากด่าหยับคายมากค่ะเราเฉยเฉยไม่ได้โต้อตอบแต่เวลาเขาด่าดางแบบังๆบด่าหยับคายมากค่ะหนูใจสั่นทุกทีเลยค่ะอืมอใจหนูยังไม่มีสมาธิใจยังอ่อนไหวถ้ามีสมาธิแล้วใจจะเฉยเสียงชมก็เฉยเสียงด่าก็เฉยเสียงชมก็ไม่ดีใจเสียงด่าก็ไม่เสียใจแต่ใจเราตอนนี้มันมี มีกิเลสตัณหามีความลักความชังคอบงำมันเลยทำให้ใจเราอ่อนไหวไปกับสิ่งที่มากระทบถ้าเสียงชมก็ดีใจสุดๆเลยเพอด่าก็เสียใจสุดๆเลยแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิฝึกสติอยู่บ่อยๆต่อไปใจเราจะนิ่งใจเราจะเฉยแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับคำพูดคำชมคำด่าของคนอื่นดังนั้นต้องมาหัดฝึกสติกัน หัดพุดโทโธพุโทโธกันหัดนั่งสมาธิกันเราจะเห็นความแตกต่างของใจต่อไปใจเรานี่จะมีความมั่นคงไม่วูบวา่าไม่เป็นเหมือนปวยนุ่นเขาะจะเป็นเหมือนก้อนหินเวลาลมพัดมานี่หินมันไม่กิ้งหินมันนิ่งแต่ถ้าเป็นปวยนุ่นนี่ย ล, ลมพัดมาแผ่วเบาก็ไปแล้วจะยินเสียงค่อยๆเสียงดาค่อยๆก็ไปแล้ว ไม่ต้องดังเสียงก็เซฟก็ได้ยิ่งก็เซฟยิ่งดังไงเหมือนเขาไม่อยากให้เรารู้อาจก็เซฟบอกคนนู้นว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยนั่นเลยเราก็ได้ยินอย่างนี้โอ้เสียใจเลยโกรธเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่เขาเราไปห้ามคนอื่นให้เขาไม่ด่าเราไม่ได้เราไปบังคับให้เขาชมเราไม่ได้แต่เรามาแก้ที่ใจเรามาฝึกสมาธิทําใจให้เราเข้มแข็ง ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจจะมีความสุขในตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนใครจะด่าแล้วฉันก็สุขของฉันนะ่ะค <c oughs> ำถามจากคุณปรินอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไปยืมเงินคนอื่นถือว่าเป็นการเบียดเบียนของไหมครับก็อยู่ที่เขายินดีให้เรายืมมะปะถ้ายินดีก็ไม่เบียดเบียนถ้าเขาไม่ยินดีหรือมันกับไปบังคับใจเขาเหมือนกับว่าอาศัยมิตรภาพ ให้มิตรภาพนี้ไปไปบงังคับให้เขาให้ยืมเงินเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนกับเป็นการไปป้นเขาตโดยใช้ความเป็นมิตรภาพนี่เขาก็เกรงใจจะกลัวจะเสียมิตรภาพก็เขาก็ไม่อยากจะให้เรายืมแต่เมื่อเป็นมิตรกันอย่างเงี้ยก็เลยจาเป็นจะต้องให้ยืมแล้วคนที่ยืมในส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ใช้ ถ้าจะใช้ก็ต้องมีหลักทรัพย์หลักหลับประกันถ้าเราจะจําเป็นจริงๆที่อยากจะยืมเงินคนเราต้องต้องเปิดโอกาสให้คนที่เราขอยืมเงินให้เขามีความมั่นใจเรามีโฉนดที่ดินก็ไปวางให้เขานี่เป็นถ้าไม่เคืนก็คกุณก็เอาโฉนดไปเลยหรือมีรถก็เอาไปให้เขาเราขอยืมเงินเข้ามาถ้าจําเป็นต้องการยืมเงินจริงๆก็ต้องให้มัน ให้มันแบบว่าไม่ไปรบกวนเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะไม่สูญเสียเงินที่เราไปขอยืมเข้าไปถ้ายืมโดยปากเปล่าเลยที่ไม่มีอะไรไปค้าประกันนี่อย่าไปยืมเลยเพราะว่าทำลายมิตรภาพเพราะจะไม่จะเป็นมิตรต่อไปไม่ได้แล้วแหละถ้าเราอยากจะเป็นมิตรต่อกันอย่ายืมเงินกันถ้าใครมายืมเงินเราก็อย่าไปยืมดีกว่า เสียมิตรอย่างเดียวดีกวเสียเงินด้วยไอ้เขายืมแล้วเดี๋ยวก็เขาก็ไม่มาคืนก็เสียทั้งสองอย่างเสียทั้งมิตรเสียทั้งเงินเพราะนวิธีฉลาดก็คือยอมเสียมิตรดีกว่าอย่าไปยามเสียเงินเวลาใครมายืมเงินก็ตัดใจพูดไม่ได้คําเดียวจบอ่านั่นไม่ง้อไงเพรใจเราอ่อนใช่ไหมใจเราเสียดายมิตรภาพเสียดายมิตรภาพก็เลยต้องเสียทั้งสองอย่าง ถ้าไม่เสียดายมิตรภาพก็ก็เสียอย่างเดียวเสียมิตรภาพไปแต่เงินไม่เสียคถามจาคุณสายทามอามว่าไปหากหนูโดนใส่ร้ายท่านรุนแรงจากความริษยาของเขามานานจนหนูเสียหายเสียชื่อเสียงหนูควรหนีจากที่นั่นดีหรืออยู่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปคะเมื่อหนูรู้ตัวเองดีว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเกล่าวหา แต่ทําไมครูบาอาจารย์ท่านจึงวางฉเฉยคะก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราในเรื่องของป่าเขาใช่าป่าก็จะมาเปลี่ยนเราให้เป็นไม่ได้เป็นเขามาว่าเราเป็นควายเราดูมีเขาโผล่ขึ้นมาหรือเมล่าใช่ไมไม่แล้วอะไรไปเดือดร้อนทําไมอพรใจเรามันอ่อนไหวออ่อนไหวมันก็ทุกข์ทุกข์เลยทนอยู่ไม่ได้ก็อยากจะหนีไปท่านี่เอง แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรือแม้เราผิดถ้าเราจะอยู่ก็อยู่ไปเรายอมรับโทษอนะ่ะถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้ว เ, เราทําผิดก็จะไปเอาตำรวจมาจับเราก็จับไปสิเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็พร้อมที่จะรับวิบากของเราไปทั้งนั้นเองก็มันก็จบคํถาถามจากคุณนันทนาความฉลาดทางโลกกับความฉลาดทางธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะ ต่างกันคนละด้านเลยความฉลาดทางโลกนี้เป็นการฉลาดสร้างความทุกข์เนี่ยเข้าใจไหมกาลังสร้างความทุกข์กันด้วยความฉลาดกันทั้งนั้นเนี่ยการฉลาดทางธรรมนี้เป็นใช้ความฉลาดดับความทุกข์ต่างๆกันตรงนี้ทางธรรมนี้จะสอนให้เราดับความทุกข์ให้เราเห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนั้นเป็นทุกข์แต่ความฉลาดทางโลกนี้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขเอ แต่ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เลยฉลาดหาเงินหาทองหาอะไรกันแล้วก็มาทุกข์กับมันะมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาใช่ไหมมีงานก็ต้องทุกข์กับเงินพอเงินไม่พอใช้ทุกข์ไหมมียศก็ต้องทุกข์กับยศเวลาถูกเคาปลดนี้ทุกข์ไหมมีมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาใช่ไออ ม, มีสุขก็ต้องมีทุกข์เนี่ยสุขจากการไปเที่ยวนะ พอไม่ได้ไปเที่ยวปั๊บก็ทุกข์แล้วนะเนี่ยเราฉลาดหาทุกข์กันยิงต้องมาศึกษาจากทางคนที่ฉลาดในการดับทุกข์เนี่ยฉลาดทางธรรมก็คือจะทำให้ดับความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอยู่ในใจของเราเลยคำถามจากคุณนาลงชยัยถวายสังฆทานกับช่วยคนที่ลาบากได้บุ่นเหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเงินถ้าเงินเท่ากันนะ เงินร้อยบาทไปถวายสังฆทานกับเงินร้อยบาทไปให้ขอทานนี่ก็ได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์ไม่เท่ากันประโยชน์ให้ขอทานมันก็ช่วยขอทานคนเดียวทําสังฆทานนี่ช่วยกับศาสนาถ้าเราอยากให้ศาสนาอยู่ไปนานๆเราก็ต้องทําบุญกับศาสนาทําสังฆทานเช่นร่วมสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรนี่เรียกว่าสังฆทาน ก็จะทำให้มีศาสนามีวัดมีคนมาบวชมีคนมาปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าให้ขอทานขอทานมันก็เอาไปซื้อข้าวกินถ้าเหลือมันก็เอาไปเที่ยวไปกินไปเล่นของมันไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่บางทีก็ต้องทำทั้งสองส่วนแต่ทำให้มันพอดีขอทานก็ให้มันตามตามความเหมาะสมกับฐานะของเขาให้เขามีข้าวกินก็พอทำสังกับสงฆ์ก็ อาจจะต้องทํามากหน่อยเพราะต้องใช้เงินมากกว่าที่จะสร้างโบทสร้างเจดีสร้างวัดขึ้นมาได้คําถามจากคุณกิจตากร <c oughs> ความคิดสงสัยไม่เชื่อหรือรบหลูนะครับพุธพระธรรมพระสงค์มันผุดขึ้นมาในหัวเรารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรไม่ดีแต่เหมือนความคิดมันแกล้งความคิดเกิดจากอะไรครับเป็นบาทหรือไหมครับเกิจ <c oughs> ากจากได้อย่างไรครับเกิดจากก็วิชาความโง่เย ไม่รู้ความจริงของศาสนาว่าเป็นอย่างไรก็ต้องไปศึกษาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาของประวัติของพระอริยสงฆ์ต่างๆถ้าศึกษาไปแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าใจจะรู้ความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอย่างไรแล้วความประมาทหรือความความรู้สึกที่ไม่ดีต่อศาสนาก็จะหายไป อันนี้มันเป็นเกิดจากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีตกับศาสนาอื่นก็ได้เพราะศาสนาบางศาสนานี้เป็นศาสนาที่ค่อนข้างจะโหดบังคับกันลองศึกษาศาสนาคริสต์ในยุคก่อนๆเขาบังคับให้คนมักเขารบศาสนาใครไม่เขารบนี่จับเผาเลยไหจับขึ้นไปเผาบน หาว่าเป็นพวกที่ทําลายศาสนาเขาก็เลยมีความแอนตี้อยู่ในใจพอตายไปมันความรู้สึกที่ไม่ดีต่อศาสนามันก็ยังฝังอยู่ในใจพอมาเกิดพอมาเจอศาสนาก็เลยเกลียดศาสนาขึ้นมาคํถาถามจากคุณลาวันค่ะการละความสุขการละความทุกข์ทําอย่างไรค ะ, ะก็อย่าไปหามันสิ เหมือนกับเวลาเราเรา ล, ละข้าวของเรามีข้าวของแล้วก็บลยจากไปละความสุขก็อย่าไปหาความสุขละความทุกข์ก็อย่าไปหาความทุกข์นี่เราจะรู้หรือเปล่าว่าวิธีมันละละยังไงเรา <Jian. S 1> ยัางเราก็ต้องเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความสุขที่เราต้องการละนี่เป็นอย่างไรความทุกข์ที่เราต้องการละนี่เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรเช่นถ้าเป็นความทุก ของทางศาสนานี่ก็เกิดจากความอยากเราอยากเราถึงทุกข์กันถ้าเราไม่อยากเราจะไม่ทุกข์เช่นอยากให้แฟนซื่อสัตว์ต่ำเราพอก็ไม่ซื่อสัตว์กับเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีแฟนเราก็จะไม่ทุกข์ ถ, ถ้าอยากจะลักความสุขความสุขเกิดจากอะไร ความสุขทางาศาสนาเกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทายละความสุขไม่อยากจะมีความสุขแบบนี้ก็อย่าไปนั่งสมาธิอว่าต่อไปคำถามจากคุณตุ้มตุ้ยคะ่ะ <c oughs> การถวายของให้พระปฏิบัติดีโดยเฉพาะเจาะจงถือว่าเป็นการบังคับให้ท่านรับใหม่คะแต่โยมต้องการถวายให้ท่านแต่ท่านจะนําไปใช้หรือไม่หรือให้ใครต่อแล้วแต่ท่านคะ่ะ อ๋อไม่บังคับหรอกใช้ถวายได้แต่อย่าไปพูดเท่านั้นเองถ้าถวายถวายได้ถ้าบังถ้าพูดแล้วท่านอาจจะไม่รับเพราะว่าท่านรับนิ่สมายความต้องทำตามที่เราพูดฉันบอกขอให้ท่านใช้ให้หมดนะอย่างเงี้ยรับแล้วถ้ารับแล้วก็แสดงว่าต้องใช้ให้หมดหรือว่าขอให้ท่านใส่นะบางทีมาผ้าตายมาปั๊บก็อยากใชใ้ถอดผ้าเก่าให้ใส่ถ้าพูดอย่างนี้ก็บอกไม่ไม่รับดีกว่า ถ้าทำตามทำตามเงื่อนไขไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธไปแต่ถ้าให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้แล้วก็ท่านจะไปใช้อะไรหรือไม่ใช้อะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามจากคุณประสิทธิ์เวลาใกล้ตายถ้าเราพุทโธในใจไปเรื่อยๆจิตสุดท้ายก็ยังพุทโธเวลาตายไปจะได้ไปพบภูมิที่ดีใช่ไหมครับก็ดีถ้าใจสงบมันก็ไปดีไปชั้นพรมเลย สมาธิทำจิตให้ไปสู่ชั้นพรหมกลัวว่าจะทำไม่ได้สิตอนมีชีวิตอยู่ยังไม่ทำเลยแล้วตอนเวลาจะตายจะไปทำเลยถ้าทำได้ก็ดีสาธุด้วยอนุโมทนาด้วยคำถามจากโยมโจอา น, นิสงส์งการพาคนเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมคืออะไรครับก็คือคนที่เขา เราก็จะได้บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้รับใช้ผู้ก็เป็นบุญหนึ่งในบุญสิบประการด้วยการที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทำคำถามจากคุณขวัญเวลาอยู่ในที่ทำงานต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบไม่อยากยุ่งไม่อยากคุยด้วยต้องทำอย่างไรดีคะก็ต้องหยุดความอยากนั้นเพราะความอยากนั้นจะทำให้เราทุกข์ทำใจเฉยๆก็อยู่กับเขาไป แต่เมื่อเราต้องอยู่กับเขาไล่เขาก็ไล่เขาก็ไม่ได้ก็อย่าไปอยากเพราะอยากราจะทำให้เราหงุดหงิดตำคาใจคาถามจากคุณปอยเซียนเพื <c oughs> ่อนฝากถามค่ะขอธรรมะในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคุณแม่ที่ไม่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนทำให้เกิดความขัดแย้งกันตลอดตัวเองพยายามแล้วแต่บางครั้งก็ลืมตัวค่ะรู้สึกผิดและเป็นบาปทุกครั้งที่ขัดแยง้ง ก็ต้องให้ความเคารพกับแม่ให้เราเนึกว่าแม่เราเป็นพระอาหารหันต์ของเรา เ, เวลาเราเจอเจอแม่ก็เหมือนกับเจอพระอาหารหันต์เราก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็บรรลกถึงพระคุณของท่านอยู่เรื่อยๆว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนได้การที่เราอยู่มีชีวิตมาอยู่ได้จนถึงบันนี้ก็เพราะพระคุณของแม่นี่ยนะให้คิดถึงบุญคุณของท่าน แล้วเราจะรักท่านแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะทำอะไรที่จะทำให้แม่เสียใจพยายามระลึกถึงบุญคุณแล้วพยายามนอบน้อมจิตใจให้ลาเลิกว่าแม่เรานี่เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของเราคำถามจากคุณลีตอนนี้อ้อขอโทษค่ะคำถามจากคุณสิทธิ ช, ธชนโดยข้อเท็จจริงแล้วเราคือใครครับ ในเมื่อเรามีไม่ใช่กายกายไม่มีในเราเราคือจิตใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วจิตนี้คือธาตุรู้ใช่ไหมครับหรือเป็นอาทิสมานกายกระผมขอบรับกลับพระคุณครับจิตก็คือธาตุรู้ที่คิดมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปได้ร่างกายที่ได้ร่างกายมาก็ได้ได้ได้คุณสมบัติได้ชื่อมาติดมากับร่างกาย ได้ร่างกายฝรั่งก็เป็นชาติฝรั่งไปด้านร่างกายไทยก็เป็นไทยไปพูดภาษาไทยกินอาหารไทยไปอันนั้นเป็นร่างกายแต่จิตก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ตัวรู้ตัวคิดอยู่ยังคิดเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมอยู่ชอบเหมือนเดิมเกลียดเหมือนเดิมอยู่นี่เกิดตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวจิตตัวรู้ตัวคิดเนี่ย แล้วตัวเราที่แท้จริงก็เป็นตัวรู้แต่เราไปคิดว่าเป็นตัวตนพอเป็นตัวตนนี้เราก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นของเราไอ้ น, นี่ก็เป็นของเรา<ม>พอมีอะไรเป็นของเราเราก็ยึดเราก็ติดเราก็หวงแล้วของที่เรามีนี่มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นพอเวลาสูญเสียของที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็เสียใจกัน แต่ถ้าเรารู้วเราเป็นเพียงแต่ตัวรู้ไม่ไม่ใช่ตัวตนตัวรู้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติชั่วคราวเงินทองข้าวของอะไรต่างๆที่เรามีอยู่กันทุกวันนี้ก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปข อ, ของทุกอย่างนี่ก็หมดไปแต่ตัวรู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ตัวรู้ก็ไปต่อถ้ามีความอยากที่ยังอยากจะมีข้าวของเงินทองอยู่ก็ไปหาใหม่ถ้าไม่อยากจะไปหาใหม่ไม่อยากจะไปตายใหม่ก็หยุดความอยากไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบมีความสุขพอใจมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาเป็นสมบัติอีกต่อไปคำถามจากคุณลีการเริ่มต้นปฏิบัติในสายพระอาจารย์มั่นหรือหลวงตามหาบัวนั้นต้องเริ่มต้นจากจุดไหนครับ และเริ่มทำอะไรก่อนในสายกรรมฐานนี้อย่างพระอาจารย์ตอนอยู่ที่วัดป่าบ้านตาเริ่มการปฏิบัติอย่างไรครับถ้าเป็นพระก็ศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีล227ข้อพอบวชปั๊บก็น่ารักษาศีล227ข้อนี้ให้บริสุทธิ์แล้วก็ฝึกนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมเจริญสติไปก่อนพอมีสติก็นั่งสมาธิไปถ้าจิตสงบก็จะมีความสุข แล้วก็พร้อมที่จะไปศึกษาทางปัญญาเพื่อต่อเพื่อหยุดความอยากต่อไปคำถามจากคุณพนพลค่ะได้ยินมาว่าจิตที่มีพลังมากๆสามารถสะกดให้น้ำการามเคลื่อนได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาทางกายซึ่งผู้ปฏิบัติและศึกษาธรรมวินัยไม่ควรทำเช่นนี้มีจริงหรือเปล่าครับก็ไม่รู้แหละ ลองไปลองไปค้นหาคนที่เขามีพลังจิตแล้วถามก็ดูแล้วกนะันค่ะคําถามจากคุณปา ว, วินีพระอาจารย์เจ้าคะร่างกายที่เจ็บป่วยมากๆจะทําอย่างไรคะถึงจะแยกใจออกจากกายได้ที่พระอาจารย์กล่าวว่าใจเป็นกายนายเป็นบ่าวขอพระอาจารย์ชี้แนะค่ะก็ต้องถอนใจออกจากร่างกายร่างกายส่งกระแสวิญญาณไปเกาะติด อ, อยู่ที่ร่างกาย หาเส้นด้วยกันไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายวิธีที่จะถอดวิญญาณทั้งห้าออกจากร่างกายก็ใช้การบริกรรมพุทโธนี่แต่เราพุทโธพุทโธพอเราหยุดคิดปั๊บความคิดมันก็จะไม่ส่งมันก็จะดึงไอ้สัญญาวิญญาณที่ไปเกาะติดกับร่งางกายพอมันหยุดคิดวิญญาณก็ไม่ออกไปจากใจวิญญาณมาออกไปเพราะความคิดพอเราคิดถึงรูปเราก็ต้องใช้ตาไปดูรูปไปรับรูปมา พอคิดถึงเสียงแเ้าก็ใช้วิญญาณไปรับเสียงมาพอเราหยุดคิดปั๊บวิญญาณมันก็จะถอนมันจะถอนมันจะไม่ออกไปมันก็จะถอนออกจากร่างกายพอมันออกจากร่างกายร่างกายเป็นอะไรมันก็ไม่รับรู้เหมือนกับเวลาที่เขาฉีดยาชาถอนฟันเนี่ยเวลาถอนฟันเขาฉีดยาชาความรู้สึกทางทางที่จะตรงที่ฟันที่จะซอนมันก็ถูกล็อกไว้ถูกล็อกไว้ใจก็เลยไม่รู้สึกเจ็บ มันรู้สึกเจ็บทางร่างกายร่างกายเจ็บมันก็ไม่รู้เรื่องตัวร่างกายมันก็ยังไงก็เวลาถอนมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีใช่ไหมแต่มันไม่สามารถที่จะส่งความรู้สึกมาให้กับใจได้ใจเลยไม่ไม่ทุกข์กับเวลาที่ถอนฟันเวลาคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตสงบเนี่ยอาการไม่สบายต่างๆของร่างกายก็จะไม่รับรู้แต่ก็ยังเป็นวิธีที่สู้ใช้วิธีด้วยปัญญาไม่ได้ วิธีใช้ปัญญาก็คือไม่ต้องเข้าไปในสมาธิให้อยู่กับความเจ็บนั้นด้วยการสอนใจไม่ให้ไปอยากให้ความเจ็บหายไปให้ยอมรับความเจบ็บถ้ายอมรับความเจ็บได้แล้วความเจ็บจะไม่สามารถทำให้ใจทรมานได้เพราะเหตุที่ทำให้ใจทรมานไม่ใช่ความเจ็บคือความอยากหายเจบ็บงั้นให้มาหยุดที่ความอยากแล้วเราไม่ต้องเข้าสมาธิความอยากหายเจ็บเนี่ย พอแม่พอไม่มีความอยากแล้วใจก็นิ่งเฉยเหมือนกับอยู่ในสมาธิแต่รับรู้ความเจ็บได้ไปด้วยไม่ได้หนีไม่ได้บล็อกความเจ็บไว้เวลานั่งสมาธินี่เหมือนมันบล็อกมันตัดขาดสัญญาณมันไม่เชื่อมต่อกับร่างกายแต่ถ้าเราไม่ต้องการเข้าในสมาธิแล้วเราไม่ต้องการที่จะทุกกับมันก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความเจ็บนี้เราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้มันเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน เมือนร่างกายไม่สบายไปอยากให้มันหายแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันหายมันไม่เดือดร้อนมันจะทุกข์มันจะไม่สบายก็ปล่อยมันไม่สบายไปมันจะหายก็หายมันไม่หายก็เรื่องของมันใจเราก็จะไม่ไปทุกข์กับมันโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิหนีมันเพราะเราจะเข้าไปบ่อยๆทั้งวันไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปทํานู่นทํานี่ใช่ไหมเราอยู่กับความเจ็บให้ได้แล้วเราความเจ็บมันก็จะไม่เป็นปัญหามันปัญหาคือเราไม่อยากจะอยู่กับมันอยากจะให้มันหายไป มันเลยทำให้ใจเราทรมานขึ้นมานี่คือวิธีใช้แก้แบบถาวรแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปไม่กลัวความเจ็บปวดทั้งร่างกายเพราะเราอยู่กับมันได้เพราะเราปล่อยวางมันได้ปล่อยวางด้วยปัญญาคำถามจากคุณลาวันค่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานหมายความว่าอะไรคะมีวิธีทาไหมคะก็ตัวจิตน่ะที่ ที่หลังจากได้ปฏิบัติธรรมมีสติแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาที่มันที่มันหลับมันหลับไปกับอารมณ์ต่างๆเหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปฝันเนืองนู้นฝันเรืองนี้ผู้ที่ตื่นนี่เขาไม่ฝันใช่ไหมผู้ที่หยุดความคิดก็เป็นผู้ที่ตื่นผู้ที่ยังคิดอยู่ก็เป็นผู้ที่ยังเพ้อฝันอยู่พวกเราฝันทั้งลืมตาฝันทั้งหลับตารู้ปะ เอฝันฝันคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนี้เนี่ยกำลังฝันอยู่ฝันทั้งลืมตาเวลานอนหลับก็ฝันแบบหลับตาไม่เคยหยุดความคิดเสียทีปล่อยให้ความคิดคิดไปเรื่อยๆแต่พอเราหยุดปั๊บนี่ความความฝันหายไปพอหายไปก็เหมือนตื่นขึ้นมาเหลือแต่ความว่างเวลาเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆสิ่งที่เราฝันนี่หายไปหมดเลยนะเหลือแต่ความว่างปรากฏขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันผู้ตื่นก็คือผู้หยุดคิดผู้พยทํามใจให้สงบรวมเป็นสมาธิเนี่ยเป็นผู้ตื่นในระดับแรกผู้ตื่นระดับสองก็คือผู้หยุดความคิดหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้ยุดมันก็จะความคิดมันก็จะหยุดไปมันก็จะตื่นตื่นแบบถาวรเลยตื่นแบบไม่หลับเลยคําถามจากคุณเปิน้น เราจะต้องนั่งสมาธิสมาธาิไปถึงขั้นไหนคะถึงจะเริ่มวิปัสนาได้จะทําได้สลับกันไงเวลาเรานั่งสมาธิเราก็อย่าไปทํำวิปัสนาเท่านั้นเองรอให้ออกจากสมาธิก่อนพ อ, อ, อจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะไปทางวิปัสนาก็พิจารณาไปเแต่ว่าเราต้องดูว่าไปแล้วมันฆ่ากิเลสได้หรือเปล่าถ้าฆ่ากิเลสไม่ได้แสดงว่าสมาธิเรายังกําลังไม่มากพอก็ต้อง เพิ่มกําลังของสมาธินั่งสมาตั้งสมาธิให้มากขึ้นไปก่อนเนี่ยสมาธินี้จะเป็นตัวที่จะหยุดกิเลสแต่ปัญญาเป็นทั่วเป็นตัวที่จะบอกเหตุผลว่าทําไมต้องหยุดกิเลสปัญญามีเท่านี้เองมีไว้บอกเหตุผลว่าทําไมควรจะหยุดความโลภหยุดความอยากเพราะมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาเราก็จะไม่รู้เราคิดว่าความโลภความอยากนี่ดีโลภแล้วได้เงินอยากแล้วได้เที่ยวมันก็ดีเลย จะไปเห็นว่ามันโทษได้งไงแต่ปัญญาบอกมันมันดีต้นแต่มันทุกปลายเวลาได้เที่ยวก็ดีและพอเงินหมดก็ทุกข์แล้วอย่างนี้มันไม่เห็นต้องใช้ปัญญาสอนพอเรารู้แล้วว่าปัญญาบอกว่าอย่าไปทาตามความอยากถ้าเราหยุดใจได้เราก็หยุดความอยากได้ถ้าเราทำสมาธิได้เราหยุดใจได้เราหยุดใจได้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเราต้องการจะหยุดมัน เหนแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่หยุดมันพอออกจากสมาธิบาพออยากกินกาแฟแล้วก็กินเพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุขอยากจะดูก็ดูอยากจะฟังก็ฟังแต่ถ้าเราออกมาแล้วมีปัญญาคอยบอกเราอย่าอยากนะเราดูจะหยุดความอยากได้หรือเปล่าถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังไม่พอก็ต้องทำสมาธิให้มันมากกว่าให้มันนานให้มันนิ่งให้มันสงบให้นานกว่าให้มันลงลึกกว่า ให้มันหยุดได้เต็มร้อยจิตต้องหยุดคิดเลยต้องหยุดกึกเลยอย่างนั้นอะ่ะมันถึงจะสามารถหยุดความอยากได้คําถามจากคุณสมใจตอนนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้กับลูกลูกจะได้รับบุญไหมคะวงเล็บลูกที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกเวลานั่งแผ่เมตตามันนั่งสวดเฉยๆเวลาจะให้ความเมตตาต้องเอาลูกมาอุ้มเามากอดเอานมมาให้ลูกกินอย่างเงี้ยถึงนี้เรียกว่าแผ่เมตตา ลูกมันถึงจะได้รับความเมตตาจากเรามันนอนหลับครอกๆเรามา น, นั่งสวดให้มันมันจะได้เลย <c oughs> ใช่ไหมอ่าความเมตตานี้ต้องเกิดมีเหตุการณ์มีการกระทําไม่ใช่นั่งสวดแผ่ไปครอบจักรวาลเลยสัพเพชัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> อั น, นี่มันเพียงแต่สอนให้เรารู้ว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ประสาททั้งหลายเวลาเราเจอเขาอตอนนี้ไม่เจอเขาเลยเราจะไปแผ่เมตตาใ ห, ให้กับเขาล่ะ ต้องแผ่ตอนที่พบปะนน เ, เวลาโยมมาเนี่ยโยมเอาเงินมาเอาของมาเนี่ยแผ่เมตตาแล้วรู้ะเนี่ยเอาเอาความสุขมาให้ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่มาเฉยๆแล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมานี้เรียกว่าไม่แผ่เมตต า, า ม, มาแล้วก็มาสวดสเพ ส, สัตาสวดแผ่เมตตาให้พระฟังเนี้ สวดถ้าสวดไปร้อยจบมันก็ไม่ได้แผ่เมตตาพ่อพระไม่ได้รับอะไรจากการสวดของโยมใะ่ไหมต่อไปคําถามจ้าคุณจันปาในการปฏิบัติอาศัยกําลังสมาธิในระดับคณิกะสมาธิเพียงอย่างเดียวได้ไหมครับก็ลองดูเถอะการปฏิบัติต้องไม่มาถามเราเหมือนกินข้าวมาถามเราต้องกินกี่คำถึงจะอิ่มก็กินไปเลยะอยากจะอิ่มระดับไหนก็กินไปตามนั้น ระดับที่เราต้องการอยากจะอิ่มระดับสามคำก็กินหนึ่งแค่สามคำอยากจะกินระดับอิ่มสามชามก็กินสามชามแล้วมันอยู่ที่การปฏิบัติแล้วนี่มันต้องมาถามนะคาถามจากคุณกันนิกาถ้าเรากาหนดจิตภาวานาพุทโธ ท, ทั้งวันตอนทำงานแต่มีเวลานั่งสมาธิได้ไม่นานตอนก่อนนอนแต่สามารถสัต ส, สมบูรณ์ทั้งวันจากการกาหนดจิตได้ไหมเจ้าคะ ก็สะสมได้สติไงแต่จะไม่ได้สมาธิสมาธิก็ต้องนั่งบ่อยๆนั่งนานๆจิตถึงจะสงบเพราะเวลาทํา ง, งานนี่จิตมันไม่ยังคิดอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่คิดเพ้อเจอเพ้อฝันไปเท่านั้นไม่คิดฟุ้งซ่านแต่มไม่ง่ายังคิดอยู่ถ้าอยากจะได้สมาธิจิตต้องหยุดคิดด่วนๆนะ เ อ, อน่านั่งสมาธิไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันจมิ่งไปแล้วเหมือนจะเป็นเห็นเป็นแสงสีนวนๆนะคะแล้วจิตก็รู้สึกตกใจแต่เหมือนตอนนั้นก็คือไม่กล้าที่จะเข้าไปเล่นกับแสงมันนะคะออแล้วเราก็เลยถอยกลับมาค่อยดูลงหายใจแล้วก็ดูกายอืแล้วก็ออกจากสมาธิในที่สุดแบบนี้หนึ่งคำถูกหรือเปล่าคะก็ไม่ถูกถ้าเวลาจิตมันเด่งก็ให้รู้ไปรู้เฉยๆสักแต่แว่ารู้ไป รู้ว่ามันกําลังดิ่งจะมีแสงก็รู้ว่ามีแสงเท่านั้นให้รู้เฉยๆเราเราเราคือก็คือรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแล้วจำกัดมันจะนิ่งสงบก็ให้มันนิ่งสงบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเองเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันถอยออกมาแต่เราต้องดันมันเข้าไปถ้าเราไม่ดันมันไม่เข้าแต่ถอยนี่เดี๋ยวมันมีตัวดันเนะดันให้ถอยออกมาคือกิเลสมันอยากจะให้ออกเหมือนมันเห็นแล้วมันกลัวค่ะ อา่<ม>าก็ทําตามเข้าพเข้าใจไม่มีอะไรน่ากลัว เ, เรากําลังกลับเข้าไปสู่บ้านเราเรานั่งสมาธินี่เรากําลังดึงจิตกลับเข้าบ้านเข้าเข้าบ้านเข้าสู่ความสงบถ้าเข้าถึงบ้านจริงๆแล้วมันจะว่างมันจะไม่มีอะไรแต่ก่อนมันจะว่างก่อนมันจะสงบมันอาจจะมีแสงมีอะไรเป็นเป็นของแถมให้ดูหน่อยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันมีอีกสภาวะหนึ่งค่ะอาารย์คือ ตอนนอนนะคะคือก่อนนอนก็จะนั่งสมาธิแล้วก็นอนเนี่ยเออเหมือนจะเห็นว่าจิตเห็นว่าเรานอนเห็นกายอนอนดูไปเท่านั้นเองูไปแ ต, แต่ตอนนั้นคือกลัวแล้วมันเห็นว่าจิตมันห่างออกจากกายแล้วเลยจะปิดเหมือนให้กลับเข้ามาเอไม่ต้องไปทําอะไรละรู้เฉยๆจิตมันแสดงเล่นหนังให้เราดูใช้หนังให้เราดูให้เรามีสติรู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบตัวลง บางทีมาจะมีอาการเหมือนผีอัมก็รู้บางทีเหมือนกับจะมีใครมายกร่างเราขึ้นมาแล้วก็ทุ่มก็ปล่อยมันทำไปให้รู้เฉยๆจิตเวลามันจะหลับมันจะสงบนี่บางทีมันจะมันจะแพลงฤทิ์นิดหน่อยเท่านั้นเองมันจะแสดงอาการอะไรต่างๆแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นให้เรามีสติจดจอดูเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆมันเราดูหนังเนี่ยนั่งดูไปเฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ หนังมันทําคนดูไม่ได้หรอกแต่คนดูยังไปตื่นเต้นตกใจเพราะลืมเผลอไปคิดว่าตนเองอยู่ในหนังอต่คนดูนี่หนังเขาจะยิงกันเป้งเปี้ยงอย่างนี้มันก็คนดูก็ไม่ถูกยิงหรอกแต่คนยิงคนดูบางทีดูได้หลบเลยอย่าไปหลบดูเฉยๆไม่ไม่มีอะไรมาทําเราดูคนดูได้ผู้รู้ไม่มีใครทําอะไรเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดใน ในจิตนี้ไม่สามารถทำลายจิตได้ไม่ต้องกลัวให้รู้เฉยๆเป็นการดูหนังบูเขาลวกันคิด่บงนี้น ะ, ะมาอีกไหมเอานี่ก่อะทางนี้ก่อนถ้าเกิดเราตั้งจิตเข้าสู่ความตายเราฝึกไว้ว่าต้องพุทโธสมอเสมอ พอถึงเวลามันก็จะมีมาเหมือนเราก็าเราจะได้ตายแล้วอ่าแล้วตายจริงก็แบบอะตายจริงตายจริงก็มาอยู่ที่ได้ไงก็เอ่ครั้งที่สองค่ะเป็นยังไงเกยตายแล้วเลรออือเป็นอุบัติเหตุ นั่นยังไม่ตายถ้าตายก็ตายก็ไม่กลับมาแล้วไปไม่กลับหลับไม่ตื่นถึงจะเรียกว่าตายถ้าไปแล้วกลับหลับแล้วตื่นก็ยังไม่ตายอันนี้ว่าลูกอะค่ะลูกเขามาร้องไห้แล้วก็เหย่าบตรงแม่แล้วก็ในอยากให้แม่ตายแต่หมอบอกว่าเขมหน้าแล้วแต่ตัวเองเขาฟื้นนึงมาก็ไม่เป็นไรแสดงว่ายังไม่ตาย ถ้าตายมันก็ไม่ฟื้นถ้าฟืยังไม่ตายยิ่งจะสลบสลายไปบ้างบางทีคนเราก็สลบสลายได้ตอนนี้หนูเริ่มสงสัยตัวเองอ่ะค่ะสงสัยอะไรสงสัยว่าถ้าเกิดเราสมมติว่าเราป่วยแล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วแล้วเราเข้าสุขท่านได้จะมีมามาแบบนี้ไม่ให้เราตายไม่มีทางเราต้องตายแน่ๆไม่ต้อกลัวหรอก แต่ในความว่าเข้าใจว่าถ้าเราพุโทโธขั้งสุดท้ายสาเร็จแล้วแต่ว่ามีมาที่เป็นลูกของเราที่ทําไม่เราต้องอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อสิให้อยู่ตอนที่เราไม่อยากอยู่ต่อแล้วค่ ะ, ะก็มันก็บังคับมันไม่ได้งไงร่างกายมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าต้องอยู่ต่อก็อยู่ต่อไปอยู่ต่อแล้วก็พุโทโธของเราต่อไปได้ไมมีปัญหาเลย เราก็อยู่ของเราไปเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปอยากหนีคนอื่นถ้าอยากนี้มันก็ทุกข์แล้วเวลาหนีแล้วอยากหนีแล้วหนีไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้ายังหนีไม่ได้ก็อยู่กับเขาไปก่อนเจอกันก็พูดโธพูดโธไปเ<ม>ฉยๆไปพาใจไหม<ฆ>เอาอีกข้อนึงหม<ฆ>หมดแล้วไห<ฆ>มมีไหม<ฆ>เ อ, า, อามาอีกข้อ ก็อสองข้อก็ได้ยังพอไหวค่ะถามจากคุณปัทมาพรถ้าได้สมาธิแล้วนิ่งสงบสบายลมหายใจมันบางเบามากแต่รู้ตัวถือว่าใช้ได้ไหมเจ้าคะก็ยังใช้ไม่ได้เต็มที่ไงก็ดูต่อไปดูจกกนกว่ามันจะเหมือนกับวุบลงไปแล้วก็ลมก็หายไปใจก็นิ่งไม่สนใจกับลมไม่คิดปรุงแต่งมีความสุขีอีกไหม อ่าเอาสักสองสามข้อก็ได้คําถามจากคุณการิกาถ้าเรานั่งสมาธิเราเห็นแสงเป็นช่องโพงเข้าไปเรากําหนดจิตเพ่งเข้าไปในจุดขาวนั้นได้หรือเปล่าครับไม่ได้หรอกอย่าไปเพ่งให้กลับมาถ้าเราใช้ลมก็อยู่กับลมถ้าใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธต่อไปถ้าไปเพ่งตามตามแสงนั้นเดี๋ยวมันจะหลงทาง เราไม่ต้องการไปทางแสงแล้วต้องการไปทางพุโทโธต้องการไปทางลมที่จะพาไปสู่ความสงบเั้นเวลาเห็นอะไรถ้าเรายังพุโทโธได้ก็กลับมาพุโทโธต่อดูลมได้แล้วกลับมาดูลมต่ออย่าไปสนใจกับสิ่งอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมามันเป็นของชั่วคราวถ้าเราไปตามมันเดี๋ยวมันจะหลอกเราทําให้เราหลงทางได้มีมีเรื่องเล่าในวงปฏิบัติมีสัมมาเนนังเราเห็น เห็นลูกไฟลูกแล้วก็ตามลูกไฟไปพอลืมตาขึ้นมาตัวเองไปอยู่บนบนต้นไม้นั่นน่ะนั่งสมาธิแบบไม่มีสติไงนั่งแล้วตามลูกไฟไปเห็นลูกไฟก็ตามมันไปตา ม, มไปตัวเองก็ไม่รู้วตัวเองปีนต้นไม้ขึ้นไปตามลูกไฟพอมาลืมตาขึ้นมาออกจากสมาธิออทําอยู่บนต้นไม้แล้วถ้าตามมันไปมันอาจจะพาเราไปไหนก็ได้ แบบคนที่เขาเรียกว่านอนหลับแล้วก็ฝันเดินฝันสลิปวอล์กหลับเดินงั้นถ้าเรามีสติมีอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมแล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้มีดวงแก้วก็อย่าไปสนใจมันมีไฟก็อย่าไปสนใจมันมีแสงสว่างก็อย่าไปสนใจมันให้กลับมาที่ลมหรือกลับมาที่พุทโธหรือถ้ามีสติก็ให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปตามมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะหายก็หายไปไม่ต้องไปตามมัน